เมื่อคืนตอนดึกค้ำเลครับพูดเรื่องการที่ทำให้มโนกติที่ขึ้นไหวในตัวเองนั้นได้ถึงซึ่งสภาพสถียนก็ด้วยวิธีที่ปฏิบัติฉันจะเป็นรูปธรรมเรือ ก, การทำงาน ทำเพื่ออาสีะเพื่อยังชีวิตภายนอกและเพื่อที่เข้าไปสู่ชีวิตด้านในสุดอาชีพภายนอกเรื่องการงานภายในเรียว่ากรรมมฐานนุชจะค่อยรู้จักตัวเองะะมโนคติอารมณ์คติสิ่งที่เจดจำนงหวัง จะค่อยๆสงกนิ่งลงในตัวมันเองด้วยการงานเท้งนั้นการงานที่ดีที่สุดคือทำความดีและทำกับบุคคลที่อยู่ข้างหน้าและทำทันทีในขณะนั้นสำหรับช้านี้คงจะสืบ อนุสนธิต่อเนื้อความต่อจากเมื่อคืนนะครับว่าด้วยด้วยวัาข้อเท็จเหตุไรเราจึงต้องทำดีกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเพราะคนที่ใกล้ตัวเรานั้นอาจจะบันดาลจุขทุกได้ง่ายยิ่งกว่าคนที่ไกลตัวนิดที่ดีกับเรานั้น เราทำไม่ดีกับมิตรมิตรก็กลับเป็นศัตรูทันทีจะไม่มีศัตรูไหนเลยที่เรากดขึ้นลอยๆโดยที่ยังไม่เคยเป็นมิตรมาก่อนศัตรูคือมิตรซึ่งแปรพักไปอย่างเราพบคนแปลกหน้าเขาไม่ใช่ทั้งมิตรและไม่ใช่ทั้งศัตรูของเรา เก็พูดคำหนึ่งซึ่งผมก็ทักใจมากเมื่อไปพักที่บ้านหมองคนหนึ่งที่ออสเตรเลียเก็เขียนววาที่หน้าบ้านเขาว่าแท้ที่จริงไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิรซึ่งเราเพิ่มรู้จักในวันนี้ฟังออกไหมครับ คนแากหน้าไม่มีมีแต่เพื่อนซึ่งเราเพิ่งรู้จักนาช่คนนี้เขาทิศบ้านหลังหนึ่งให้ผู้เดินทางมีเตียงประมาณสิบสิบเตียงแล้วเจ้าของบ้านไม่ต้องเฝ้าเปิดไว้ทั้งคืนทั้งวันใครจะนอนก็ช่วยดูแลเก็บกวาดแล้วก็หยอดเหรียญ ให้เขาได้จ่ายค่าไฟ้าค่าน้ำบ้างเมื่อสักครู่นี้นะครับผมออกไปเดินดูท้องฟ้าดูดาวที่นี่เห็นดาวเป็นจมนูนมากเหลือเกินครับปิดกที่กรุงเทพ เนื่องจากทิงเทพมีฝุ่นละอองดังนั้นเป็นหมอกฟ้าปิดบังไม่เห็นดวงดาวที่มีจำนวนมากว่ากันว่าดวงดาวในท้องฟ้ามีจำนวนเท่ากับประชากรของโลกจริงเท็จอย่างไรคงไม่ทราบแต่เรารู้สึกที่จะมองดูสิ่งที่ อยู่เบื้องบนนี่ครับสำหรับความรู้สึกส่วนตัวของผมซึกงมันดีเหลือเกินนะครับในขณะสังคมมนุษย์เปลี่ยนแปลงก็เรื่อยมิตรภาพเปลี่ยนเป็นศัตรูมิตรประเทศกันเป็นอริล่าศัตรูกันผมดูท้องฟ้าย่งยืนมากๆดาวลูกไกผมเคยดูตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนครับ <c oughs> แต่มันคุ้นมากๆพอหันไปดูท้องฟ้ารู้สึกใจสงบเกยน็นขึ้นมาสึกสดชื่นขึ้นมาสักทีเส้นเดียวก็เรามองน้ําครับไปนั่งริมน้ําดูมับดูมันช่างซื่อเหลือเกินน้ำเนี่ยไม่มีพิษไม่มีโทษอะไรเห็นว่าแต่คนมาทําผิดกับมันนะ เส็นไปกระโดดน้ำตายหรือคราวที่เกิดพายุขึ้นมาธรามนุษย์เรามีสติดีๆครับเราจะเห็นสิ่งต่างๆมันชื่อลมแล้วก็พัดอย่างนั้นนะครับใบไม้ก็ไหวสแสดงมีลมพัดลมนั้นท่านขยันช่งไม่รู้จักเหน็ดหน่อยน้ำผมยิ่งเห็นความ น่าอัจจรรยของสิ่งอนี้เห็นไฟที่ลุกขึ้นเป็นสิ่งที่งดงามมากๆเลยครับเป็นมันเต็นอยู่เองโดยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ประหลาดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่ครับสะไคุ้นเคยกับสิ่งอันนี้มากขึ้นนะครับเราจะพบว่า แม้แต่ความรู้สึกไม่คิดของเราเนี่ก็เหมือนไฟเหมือนน้ำเหมือนลมเลยความรู้สึกตัวนี้เป็เรื่อง ด, ดัดดาแต่ว่ามันรุ่งเรืองมากๆเลยเหมือนคลยๆเราเห็นเพื่อนที่สนิทมากๆสัตย์ซื่อมากๆแล้วเพื่อนที่เป็นเป็นคนนะมีปัญหามากครับเขามีอารมณ์ด้วยในขณะที่น้ําไม่มีอารมณ์เลย หรือไฟเนี่ยจับใดที่เรารมัดระวังไม่นำเขาเข้าไปเผาฝาเรือนหรือหลังคาบ้านค่ะเขาก็จะลุกอยู่อย่างอย่างน่านับถือครับสิ่งอันนี้น่านับถือเร่นั้นเลยแต่เรามากักจะติดยึดในสิ่งสมมติเรานับถือห้องเต้ ประสาทที่เราเรียนมาประสาทบางคนต้องการนรส่วนใหญ่เป็นฆาตรกรอย่งนั้นนะครับเจง Hitler, Napoleon, รกริสคานฮิตเลอร์นโปเลียนฆาตกรทั้งสิ้นคนเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อประหัตประหารเพื่อนมนษย์แต่เราไม่ค่ยรู้จักประวัติของพระอรหันนะครับเพราะท่านไม่มีชื่อเสียงมีคนน้อยคนสนใจประวัติ ของประหันจากหนันงสือธรรมบทข้คเหล่านี้ไม่ได้ฆ่าใครนอกจากไม่ได้ปาะหิะหาริย์ใครแล้วยังบำเพ็ญประโยชน์สุขให้แก่มหาชนอยู่จนจ น, จนจนจากโลกนี้ไ ป, ประบบการศึกษาทั้งหมดนะครับเป็นศหนย์กลับดับล่อเราไปอีกทางหนึ่งการศึกษาที่รัดจัดขึ้นไม่ว่ารัดไหนเท่นั้นนะครับ เป็นเพียงการระดมคนเขารับใช้รัฐเท่า น, นั้นเองนั้นคุณจึงต้องกระหายที่จะทํา ง, งานกลัวตกงานแล้วเรียนในสิ่งที่รัฐวางไว้ให้เรียนเทาน่านั้นผู้ที่จบการศึกษาส่วนใหญ่มีใจิตใจที่แคบครับผมกล้าพูดตรงนี้ยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่ยิ่งแคบเข้าไปทุกทีแล้วเห็นแก่ได้เห็นกับตัวถือตัวด้วยถะนงตนด้วยวพูด ให้จำไม่ลืมนะหายครับยิ่งรู้มากนะยิ่งโง่แกมยิงครับเข้าใจคำนี้เพราะว่าการศึกษาที่ผ่านทางระบบที่รัฐจัดสรรให้แม่รัฐนั้นจหวังดีกับผู้คนมากเพียงใดก็ตามเนี่ยแต่รัฐไม่อาจให้การศึกษาที่เป็นตัวสัตว์จะทำได้เข้าใจไหมครับ ดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องขนขวายที่ศึกษามันจะไม่มีโรงเรียนไม่มีสถาบันไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่จะสอนเราเรื่องตัวความจริงเกี่ยวกับตัวเราได้เขามีแต่จะสอนความลวงคือสอนให้เห็นว่าคุณไม่ใช่ตัวนั้นนะคุณเป็นตัวนี้เช่นคุณเป็นพนักงานคุณเป็นอ่ คนซึ่งต้องเสียภาษีให้รัฐคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนั้นนั้นเป็นหน้าที่ของปัจเจกเท่านั้นครับที่ต้องศึกษาตัวสัวจธรรมในตัวเองโดยการชี้นาของรัฐอย่างดีสุดรัฐก็จะยุอห้คุณทะเลาะกับเพื่อนบ้าน อย่างเดี๋ยวนี้คนไทยก็เกลียดชาวเวียดนามทั้งๆไม่รู้จักหน้ากันเลยเพราะไม่ไม่เกลียดชาวเวียดนามแต่ผมก็ไม่ชอบนโยบายลุกหลานเพื่อนบ้านของรัฐบาลเวียดนามเพรารัฐบาลเวียดนามกับชาวเวียดนามนี่ก็เลยคนละเรื่องเข้าใจไหมครับชาวเวียดนามก็เหมือนพวกเราเนี่ยตาดำๆหาเช้ากินข้ามีทุกข์ึ้นมาก็ร้องไห้ได้รับความสุขก็ดีใจอะไรแบบนี้ยทุกๆคนในโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะครับ กลได้เลยนะครับว่ามนุษย์ในโลกนี้ประมาณห้าพันถึงหกพันล้านเนี่ยก็คือขันห้าที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเนี่ยต่อชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์ดังนั้นเป็นเหตุผลที่ชัดเจนในตัวแล้วนะครับว่าที่เราจะต้องเห็นอกเห็นใจแล้วก็ มีความกรุณาต่อผู้อื่นเพราะว่าคนนั้นชีวิตนันเป็นอันเดียวกันเปรียบเสมือนไฟไม่ว่าจะลุกขึ้นจากขี้วัวหรือไม้ไม้ขนุนไม้เคี้ยมไม้แตงไม้หลังมันก็คือไฟไฟที่ลุกขึ้นที่ทีเอสกีโมนะครับที่โซเวียตหรือที่เวียดนามหรือที่มาเลเซียหรือลุกขึ้นที่วัดนี้มันก็คือไฟ ไฟมีอันเดียท่านั้นครับหรือน้ําก็เหมือนกันในโลกนี้ไม่ว่ามันอยู่ในคูนโลกเหนือก็น้ําเดียวเข้าใจไหมครั บ, าา ม, รบมันเป็นเพียงน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเดียวเทนั้นนี่ผมกงพูดถึงสิ่งที่เป็นประมัดคือเป็นสิ่งที่จริงอยู่โดยธรรมชาติแต่ว่าขึ้นมาทางเหนือตรงส่วนหนึ่งส่วนใดก็าอาจจะเรียก น, น่าน้ําโซเวียตขึ้นมาก็ได้ มนุษย์มันบัญญัติมันสมมุติอะไรขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะสอนสมาชิกของรัฐให้ยึดถือแทังนั้นเองนะครับโลกจึงถูกแบ่งแยกออกหมดสิ้นเลยทั้งทั้งโลกนิ่มใบเดียวนี้ครับจากเม็ดทรายที่วัดนี้ครับต่อกันทีละเม็ดจนไปถึงนิวยอร์กจะเชื่อไหมผมพูดถึงนี้ ก็าต่อกันไปท่เลเมทเลเมตเทเลเมตจนถึงนิวยอร์กถึงโน่นแหละนั่นก็คือชีวิตโลกและจักรวาลที่เราอาศัยอยูนะ่มีเอกภาพซึ่งกันและกันเอกภาพและาภาวะซึ่งเป็นหนึ่งไม่ได้แบ่งแยกจากกันเลย เราสำรวจดูที่ร่างกายของเรก็ได้ครับทุกคนลงยื่นมือออกมาข้างหน้าใชครับยื่นออกมาอย่างนี้แล้วมือนี้ไล่มาทีละตอนทีละตอนจนมาถึงกลางฝ่ามือนะฟังคําถามผมนะวา่าจากกลางฝ่ามือย้อนมาที่ตัวนี้คือร่างกายส่วนใหญ่ของเราใช่ไหมครับมาที่ปลายนิ้ว อย่างนี้ยังได้ยัามีชีวิตอยูอ่ถ้าเลยมานิ้วหนึ่งตรงนี้เป็นชีวิตไหมครับเกี่ยวเนื่องกับชีวิตนี้ไหมเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมครับคุณตกหลุมลึกกองความไม่เข้าใจในเรื่องราวชีวิตแล้วข้างนอกนี้ก็ชีวิตครับลงไม่มีบรรยากาศข้างนอกคุณก็ตายทันทีจริงไหม ล, ลงไม่มีสิ่งที่ข้างนอกมาสัมพันธ์ในข้างในนี้คนระั คุณยาอากาศที่ไหนมาหายใจชีวิตของปัจเจกมันเป็นนิดเดียวของทั้งหมดนะครับสุดทรงหน้าตาขนาดของปอดสัมพันธ์กับบรรยากาศทั้งหมดนี้ครับเข้าใจไหมคําว่าคําว่าชีวิตไม่ได้หมายถึงอะไรเปนสิ่งที่เราตัดแยกขึ้นมาได้น้ําที่อยู่ในร่างกายของเราก็เป็นธาตุน้ําเดียวกับที่อยู่ในหนองในคลองในบึงนะครับ ในทะเลเนื่องจากมูลธาตุทั้งสี่นะครับดินน้ำฝ่ายลมมันมีสัดส่วนที่เหมาะสมขึ้นเหมาะสมที่วิญญาณธาตุจะปรากฏขึ้นในโลกนี้นะครับดังนั้นชีวิตเป็นอันเดียวกันตลอดวัตถุธาตุในร่างกายของผมก็เช่นเดียวนในร่างกายของพวกเราทุกคนดังนขณะนี้เรากำลังหายใจ รอดก็ดูดดูดอากาศส่วนใหญ่นี่ครับดูดเข้าไปเพื่อเผาผลาญนะสำเร็จเป็นการดำรงอยู่ของชีวิตแต่วันี้ถ้าใครถามว่าเลยนิ้วมือมาที่เป็นสัมพันธ์ชีวิตหรือเปล่าต้นเต่ายังไงดีครับ เป็นที่ยิ่งกว่าตัวมันอีกครับไอตัวนี้มันตายได้แต่ที่เหลือนี่มันยังบํารุงชีวิตที่เหลือเข้าใจไหมครับต้นไม้นี่ก็ เ, เพื่อนๆเราครับยังมีคนเข้าใจผิดอีกมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับต้นไม้นะครับโดยเฉพาะพวกที่นิยมเสพผักหรือกินเจนครับโดยคิดกันซะว่ากินเนื้อสัตว์ที่เป็นบาว กินผักเนี่ยไม่บาปอย่างนี้ว้าเ อ, าเองเนอะวันนี้ผมจะลองพิสูจน์ให้ฟังดีไหมครับว่าอะไรเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จะได้หายข้องใจในวินัยสงฆ์มีข้อหนึ่งนะครับพิสษุนาพรของเขียวและค่าสัตว์ถูกปรบับบติเท่ากันเพราะว่าทั้งผักและทั้งสัตว์คือชีวิต ทรารบันเบ็กสเตอร์ที่สาระนะครับทรารบันคุ้นคว้าเกี่ยวกับชีววิทยาเนี่ยพิสูจน์ว่าต้นไม้นี่มีชีวิตดีที่ยิ่งกว่ามนุษย์เด็กแล้ใครเคยดูหนังภาพยนตร์เรื่องอ e ีทีจะรู้ครับตัวอ e ีทีคือเขาเป็นพืชครับก็ไม่ใช่สัตว์แลวเขาฉลาดแม้หน้าตายน่าเกลียดแต่ว่าฉลาดและใจดีด้วย <c oughs> ใครใครไม่เคยดูเรื่องอ e ีที มีสองคนสามคนเอาละไม่สำคัญอะไรถ้าบรรย์วิทยาศาสตร์แห่งนั้นครับพิสูจน์ว่าพืชที่เรียกสาวน้อยปราบแป้งนี่ครับใค ร, ใครไม่รู้จักสาวน้อยปราบแป้งเป็นพืชที่น่าอาัศาจรรย์ที่สุดเลยครับคือมีอารมณ์รู้สึกมีความจำ เขาทดลองโดยวิธีเอาคนเข้าไปสิบาทคนซึ่งนิสัยแตกต่างกันเข้าไปยืนใกล้ๆต้นไม้นี้รอบแรกมันก็จำความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับคนนักวิทยาศาสตร์เขารู้ได้โดยวิธีฝังเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในลำต้นแล้วก็จับการเคลื่อนไหวภายในได้ พอรอบที่สองเท่น้ต้นไม้นี้จะตอบโต้ทันทีคือคนที่เคยพูดจาหยาะมันไม่ชอบมันกลัวแล้วมันไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้ก็ เ, เอาเม็ดถัว่วสองเม็ดที่น้ำหนักเท่าๆกันนะครับขนาดเท่าๆปลูกในบรรยากาศเดียวกันให้เด็กสองคนซึ่งนิสัยต่างกันเลี้ยงให้เด็กที่ใจดีพูดคุยสุภาพเนี่ยเม็ดถั่วจะโตเร็วเป็นสองเท่า เ, เ, เด็กติดใจร้ายถั่วไม่อยากจะงอกมาร่วมโลกกันเลยเข้าใจไหมครับคนโบราณเขารู้เรื่องนี้ดีนะครับชาวเกาะสมุยเนี่ยไปทําสวนมะพร้าวไม่ไปอยู่ในสวนมันไม่งอกให้ไม่ออกลูกฮหนั่นชาวสวนที่ดีก็ต้องไปเดินปูนเตียนเพื่อให้ต้นมะพร้าวมีเพื่อนครับมะพร้าวมีเพื่อนเขาอุ่นใจเขาออกลูกออกล้านให้ไม่เชื่อลองไปถามชาวเกาะ ด, ดู หมู่บ้านที่ผมเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วหรือเมื่อ30ปีที่แล้วครับถูกโจรร้นก็อบยบออกกันหมดทิ้งไว้ต้นมะพร้าวเจ็ดแปดต้น30ปีให้หลังนะั้นไม่มีลูกเลยผมกลับไปไม่มีลูกต่อมาเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วชาวประมงเริ่มไปสร้างบ้านมันเริ่มออกลูกให้ทันทีคือเขาเหงา เพราะมีเพื่อนอยู่เขาก็เริ่มเป็นสุขสบายขึ้นนอกเากนไปจากนั้นนะครับสาวน้อยปรับแป้งเนี่ยมางทีเขาเรียกบวนยีแสแาภาษาชีแปลว่าเขียวหมื่นปีเมื่อ น, นักวิศาตคนหนึ่งคิดในใจนะครับว่าจะลองจุดไม้ขีดเผาใบเขาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทันใด น, นั้นนะครับเครื่องเล็กๆเครื่อไนไว้ทันทะีก็คือมันรู้ความคิดของคนด้วยครับก็จับการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งความคลื่นความคิดในตัวคนไนดะ้ดงั้นพืชไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต่ำกว่าสัตว์นะฮะเข้าใจสมัยให้ดีๆนะเมาตอนผมไปฝึกกรรมฐานที่ชาล์ิงโฟผมแนะให้ประธานนักศึกษาหนึ่งไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วพูดดีๆกับต้นไม้ก่อน ทักทายเขาเหมือนกับเพื่อนสนิทกอดเขาคุยกับเขาเหมือนกับเป็นเพื่อนคุณอาจจะงงและคิดว่าเป็นเรื่องตลกในวรรณกรรมโบราณก็พูดมากนะครับเรื่องต้นไม้พูดได้หรือคนไปนอนใต้ต้นไม้แล้วได้รับยานวิเศษอะไรบางสิ่งรู้ข่าวอะไรบางสิ่งจากต้นไม้เดี๋ยนี้วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นพอที่รู้ว่าต้นไม้ไม่ใช่ สิ่งที่ต่ำกว่าสักด์โจงข้ามเลยครับดังนั้นนิยายหรือภาพยนตร์เรื่องอีทีนะเป็นสร้างขึ้นจากข้อมูลใหม่อีทีนั้นเป็นพืชไม่ใช่สัตว์นะเวลามาททำเป็นหนังนี่กลายเป็นหนังเด็กจริงจากหนังสือเป็นหนังสือที่ดีมากๆแต่พอทำเป็นหนังนี่คล้ายเป็นหนังพาเด็กไปดูกัน ตัวอีทีนั้นเป็นโปรเวเซอร์ครับเป็นศาตราจา์แต่เป็นพืชพืชซึ่งซึ่งเดินได้แล้วหน้าตาน่าเกลียดแต่ว่าใจดีแล้วมีคุณสมบัติพิเศษในตัวเช่นรักษาแผลหายโดวยวิธีแตะลายนิ้วจำได้ไหมครับคนที่เคยดูแล้วก็เดินทางไปทั่วจักรวาลนี้เพื่อจะสะสมพืชนานาชนิดเขาจะจัดสวนพฤกษชาติแห่งจักรวาลนะครับ แล้วก็พรามนุษย์ในโลกนี้เลวร้วายมากๆเลยชอบรังแกลุกล้านคนอื่นสู้เด็กๆก็ไม่ได้ตัวอีทีนั้นได้เพื่อนคือเด็กผู้ใหญ่นั้นจะจบเข้าไปแสดงปาหีอยู่เลยจะไปให้ออกงานออกร้านเอาล้ครับลองทบทวนใหม่นะว่าที่คิดว่ากินเนื้อสัตว์นั้นบาปน้อยกว่ากินผักนั้น ผมออก็ผิดไปแล้วพระพเท่านจะพระิกษุพรกของเขียวปรับอาบัเท่าเท่ากับค่าสัตว์บางพวกก็คิดว่าฆ่าวัว น, นี่บากว่าฆ่าหมาสิบเท่านั่นคิดท่าเองนี่ น, นะครับที่ดีสุดคือไม่ต้องฆ่าครับแล้ว เราเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบอหิงสากินผักก็ได้ครับกินเนื้อก็ได้แต่โดยธรรมชาติอาหารที่เป็นเนื้อนี่มันมีกรดมากมั้นคนที่กินเนื้อบ่อยจะแก่เร็วมากๆครับเราก็สุขภาพจะไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเนื้อวัวผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกินเจกรณีเดียวเท่านั้นนะคือเพื่อสุขภาพเพื่อการย่อยที่ง่าย แล้วความบบาปลงแต่ถ้าใครมาพูดมาบอกผมว่ากินผักแล้วลาคะน้อยโทสาน้อยผมไม่เชื่อเพราะว่าลาคะโทสะโมหะมันไม่ได้มีโมนจงกินผักมันมีมูลตรงอาวิชาครับแล้วกินผักแล้วฉลาดขึ้นไม่ได้ยังมีคนที่ก็ล้อเรียนว่าถ้าฉลาดขึ้นนะครับบันน้ควายเนี่ยจัดสรู้หมดแล้กินผักทั้งวันเลย ดังนั้นเลิกเชื่อเรื่องงมงานเช่นนี้สิทีครับแต่ผมเองชอบที่จะกินเจกินแล้วมันสบายกายดีถ่ายสะดวกไม่ลำบากเนื้อตัวเย็นดีแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาโทสะโมหะชาวซิกก็กินเจชาวอินเดียถึงคลามมันก็ฆ่ากันแหลกลานจนทุกวันนี้ที่เมืองปัญจาบทั้งเมืองนั่งกินเจนะแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันเล่นกัน เป็นศพๆไปเลยดัง น, นั้นเลิกเชื่อเสถีนะครับว่ากินเจแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นคนเราบริสุทธิ์ไม่ได้ด้วยศีลหรือแม้แต่ด้วยสมาธิจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะครับเมื่อมีปัญญารู้เห็นขันห้าตามที่เป็นจริงแล้วมนุษย์เราก็เริ่มพ้นจากขายมืดคือโมหะหรืออวิชชา ที่จริงนะครับชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันในร่างกายองคนหนึ่งนึ่งนะครับมันมีทั้งสัตว์ทั้งพืชและทั้งมนุษย์และทั้งเทพด้วยครับคือ เ, เทวดาเดังนั้นเราก็เลือกทางของเราอยากเป็นสัตว์ก็ง่ายนิดเดียวครับเจอหน้าใครก็แตะมันเข้าถีบเข้าควรมันเข้าเดือกก็ได้กลายเป็นสัตว์จริงหรือขาดสติมากๆ ถึงทื่อมากกลายเป็นสัตว์แล้วก็เมื่อใดที่ภาวะของเราตกพังบ่อยคล้ายพืชคล้ายพืชไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรเมื่อใดที่เรามีหิริอตตาปะคือมีความรู้สึกละอายต่อบาปสูงหิริอตตาปะนี่ก็เรียกว่าเทวธรรมคือธรรมของพวกเทพ เมือนั้นเราเป็นเทวดานะครับหรือเมื่อใดที่ดราสงบใจดีนะครับมีความเมตตากรุณ า, าผู้อื่นตอนนั้นเราเป็นพลมครับเป็นเทวดาชั้นสูงแต่ว่าทุกๆระดับยังเป็นสัตว์ชื่อสัตว์สัตว์ที่เรียกว่าพืชฟังไนี่นะสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์สัตว์โดยสารนะครสัตว์เรียกวมนุษย์ แล้วสัตว์ที่เรียกว่าเทวดาแต่จริงๆเทวดาเขาไม่เรียกว่าสัตว์นะเทวดานีน่เรียกว่าจะเรียกว่าดีกว่ามนุษย์หาได้ไหมพระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดานั้นสมัญญาที่อาจารย์ผู้รู้แจ้งกันธ์อดีตเรียกพระพุทธเจ้าก่อนจตุรูที่เขาเรียกว่าพระมหาสัตว์คือเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ บางทีก็เรียกพระโพธิสัตว์สัตว์ผู้คล่องอยู่ในโพธิคือมีปัญญาโพธิมีความตื่นตัวส่วนคนธรรมดาชาวราชส่วนเขาเรียกสัตว์สามัญครับคือไม่ต้องการรู้แจ้งไม่เนื่องกับโพธิไม่เนื่องกับปัญญาบันดนี้เรากำลังปลุกโพธิครับที่เรากำลังเคลื่อนอยนย่นั้นเราเรียกตัวเราได้นครับว่าเราเป็นโพธิสัตว์ คือผู้ที่นื่องอยู่กับโพธิเรากำลังปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่การตื่นเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าครับเราเป็นพระเจ้าไม่ได้เราก็เป็นชาวบ้านนี่แหละแต่เรากำลังปฏิบัติเพื่อปลุกเราในธรรมชาติของพุทธะเราจะเรียกตัวเราว่าเป็นพุทธะก็ได้กรับแต่จริงๆไม่ใช่ เพราะเดียวเราง่วงนอนเดี๋ยวเราก็โมโหขนุนโมโหคนนี้แต่เราเป็นหน่อเนื้อของพุทธะนี้ได้เรามีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับเราก็เริ่มเดินตามในวทางนั้นย้อนไปในเหตุการณ์ครั้งที่เจ้าชายออกบวชใหม่นะครับตั้งแต่วันแรกแรกที่ผมเริ่มอธิบายให้ฟัง ฟังให้ดีนะครับตั้งใจใดีเพราะว่านี้อาจจะเป็นพุทธประวัติแนวใหม่ก็ได้ตามทัศนะของผมนะที่จริงไม่ใช่แนวใหม่เลยคือมองใหม่เลี้ยวไปมองประวัติของพระพุทธเจ้าพระาศาสดาเสียใหม่เพื่อจะได้เห็นเนื้อหาสาระที่ ท, ท่านท่านมีบทบาทต่อโลกนี้อย่างไร มาทรงเห็นเทวทูตนั้นตัดสินพระทัยเลือกชีวิตของตัวไม่ฟังพ่อหรือประชาชนผู้หวังจะให้เป็นกษัตริย์แต่ไยงก็ตามยังมีคนรับรองท่านเช่นพวกประชาชนซึ่งเลื่อมใสในสาศาสนาเมื่อพระเจ้าตัดสินพระทัยออกบวนั้นมีคนเลื่อมใสมีคนเข้าใจแม้พ่อหรือชาวกบิลพัทบางพวกหรือพระญาตจะง ง, งงอยู่เหมือนก็ตาม ต่อมาเมื่อไปเข้าฌานปฏิบัติเข้าฌานกับฤาษีสองตนที่ชื่ออ Ar ุทธกะอาราระก็มีคนรับรองมีคนเข้าใจหรือแม้จะออกจากสำนักก้องครูทั้งสองไปทรมานตนก็ยังมีคนเข้าใจครับคือยังมีคนให้ของกินมีคนให้พุ่มมือไหว้ให้สักการะแต่พอพระพเจ้าหาันมากินข้าว เชอเรือนตีนี่หมดเลยไม่มีใครเข้าใจเลยคนเดียวก็ไม่เหลือเขาใจได้ครับม้แต่โกนธั ญ, ญะคนที่ศรัทธาที่สุดก็ไม่เล่นด้วยละเขารำพึงกันว่าพระโคโดมมากมากเสียแล้วทำยังไงเสียก็ไม่อาจจะรู้ทำวิเศษได้เขาเลยหนีบัดนี้พระเจ้าเหลือตัวคนเดียวครับไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีอาณาจากักร ไม่มีคนเข้าใจแม้แต่คนเดียวในโลกนี้น่าสงสารนั่นไหมครับไม่ต้องสงสารท่า น, นครับต้องหันมาดูที่ตัวเองว่าเรามีคนเข้าใจเยอะแยะแต่ว่า